اللهم إِنَّنَا ن َ س ْ ت ُ ق َ ع ن م ن ا فِي أ ن و َ ر ِ ز ْ ق ط َ ي ِّ ب ا و َ ع َ م َ ل ا م ُ ت َ ق َ ب َّ ل ا يَا ر َ ب َ ن ا عَلَمِينَ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدَرِي و َ ي َْ ر ِ أَمْلِي و َ ح ْ ل ُ نُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْكَهُ قَوْلِي ا ل ل ه م ّ ف َِ ه فِي ا ل د ِّ ي ن وَعَلِمْهُ تَأْوِينًا ب س م ا ل ل ه الَّذِي لَا يَدْرُو ا َ ع م ِ ه ل ي ْ ب ิ سم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ا ل ي م بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ได้ได้จ่ะข้าพเจ้ารับบิษณุอินมันอัลลอฮฺมักฟัคูฟิดีนวีะวน السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีเจ้าลอสุบฮานหัวตายละประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุราานทุกๆท่านอทมดุลินละวันนี้เราก็จะเริ่มอ่านใน อายะที่หนึ่งร้อยสามสิบแปดสุร อ, อันอามซึ่งอยู่ในช่วงไทยๆละ่ะนะอยู่ในช่วงไทยๆแต่ก็ยังเหลืออีกเยอะนะเรามันทั้งหมดห้าสิบห้าสิบกว่าปะ่ะท่าไรอ่ามีทั้งหมดอืม อายะสุดท้ายอายะที่165มีทั้งหมด165อายะสุรออันอันอามนะตอนนี้เราอยู่38อ่าก็ทำดูดิละซึ่งก็จะอยู่ในเรื่องของปัสุสัตวเพราชื่อสุรอเนี่ยสุอรอชื่ออันอามหมายถึงปัสุสัตวนะครับก็ทำดูดิละ เราก็ได้เรียนตั้งแต่ต้นอายะจนกระทั่งถึงในช่วงท้ายๆแล้วนะก็วันนี้เดี๋ยวเริ่มที่ฟาติฮาก่อนนะครับอ่ะอ ب ิ سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم มัลกิเยอมิดดินい ا كنا عبود وياكنا استعين إهدِنا ا ل ص ِّ ر َ ا ط َ المستقيم ص ر ا ط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. อ م เมนอ้างอุบุบิลลาฮิมิน ل ชชัยตันอิรจิมกันว่าท ذ ่ อัน عامو وحرس الحجر لا يطعمها إلا م نشاء บิ้ z a m i m و أنعام حرمة زهورها و َ أ َ ن ع َ ا م ٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فْتِرَاءً عَلَيْهِ จะยัจจะจีหิมบีมักแคโนยฟตารุอะมาดูความหมายนะครับอายะที่หนึ่งก็จะยึดโยงกับ อายก่อนหน้านี้ที่บรรดาพวกมุชลิกนเนี่ยมากำหนดกหนดอะไรกหนดปัสสั์ของพวกเขาไว้สำหรับเจวิตนะคือสิ่งที่เขาบูชาอ่าพูดง่ายๆก็คือเป็นการเชื่อถวายหรือเชื่อสัตว์พรีอ่าส้นนะกับเจวิของพวกเขา วก็ลูฮาดีและพวกเขาก็กล่าวว่าพวกไหนพวกมุชลิกีนกล่าวว่าอันอามุนนี่คือปัสุสัตว์อ่าอันอามนะเรารู้นะสุรอชื่ออันอามแปลว่าวสุรอที่มีความหมายว่าปัสุสัตว์อ่าฉันบอกไปแล้วถ้าอินอามนี่ลูกสาวฉันต้องเรียกให้ถูกอินอามเ น, นี่ยเนี้ยมัดความปวดปานอันอามปัสุสัตว์ะฮารซุนฮารุนแปลว่าว จ ร, จริงๆแปลว่าเลือกสวนได้นาก็หมายถึงพืชผลเพราะว่าพืชผลเนี่ยก็ปลูกในสวนนะฮารุซุนตัวนี้ก็หมายถึงพืชผลฮิจรุนฮิจรุนแปลว่าห่วงเอาไว้ห้ามเอาไว้ไม่ได้ปลูกเอาไว้ทานเอาไว้ขายเอาไว้กินเองแต่ปลูกเอาไว้เพื่อถวายจเจวิตเลี้ยงสัตว์เอาไว้เพื่อให้จเจวิตนะแล้วก็มันก็กินไม่ได้ละเจเวตมันเป็นหินเนี่ยนะ อ่ามันทําำอะไรไม่ได้หรอกปล่อยให้เน่าสุดท้ายมันก็เน่าเสียไปนะที่เราเห็นอยู่นี่แหละเอาไปถวายเต็มไปสุดท้ายบางทีตกใจเอ๊ะทาไมอยู่ดีมันเหลือครึ่งหนึ่งที่ไหนได้มีคนเนรรอดมากินจริงมันไม้มีอะไรหรอกเออมันเป็นมันเป็นความเชื่อนะอ่าแต่ว่าด้วยกับความเป็นจริงก็คือว่าพวกเนี้ยเขานํามาถวายนะนํามาถวายนํามาเส้นซึ่งมีตั้งมามีตั้งศตสมัย ก่อนอิสลามเรวมีชื่อด้วยนะอ่าชื่อว่าอัลว ah ัซีลาสัตว์พวกเนี้ยจะมีชื่อว่าอัลว ah ัซีลาอ่าเป็นสื่อกับจวิดอ่าเลย์อตัมูฮัห uh ซึ่งไม่มีใครเนียจะกินมันได้บริโภคมันได้เ็าหวงเอาไว้อะอิลลามันชะอุบิซามีฮิม นอกจากผู้ที่เราประสงค์เท่านั้นกําหนดเลยว่าต้องให้เวิตตนนี้ต้องให้ตรงนั้นตรงนี้ก็กลับไปกําหนดว่าอันอามุนและด้วยการกล่าวอ้างของพวกเขาเนี่ยว่าอันอามุนและปะสุสัตฮอริมัตซูฮูรุฮาที่หลังของมันเนี่ยถูกห้าม คำว่าซูฮูรหาแปลว่าหลังหลังของมันในถูงห้ามว่าอันอามุนและกก็ประสุสัตลายัดกูรูนัสมัลอลฮีอาลหยฮัฟติรออันอาลห์และประสุสัตที่พวกเขามิได้กล่าวนามของอัลลอ์บนมันอ่าแน่นอนว่าพอเขากล่าวถวายจเจวตเนี่ยเขาจะไม่กล่าวนามอัลลอฮ์ จะกล่าวจ่เฉพาะเจวิตแต่ถ้าเกิดเขาจะเอามากินเองเขาจะกล่าวนามขอเลาะด้วยและกล่าวจเจวิตด้วยนี่เคยบอกไปแล้วทั้งนี้เป็นการอุปโลกอิสติรออัยไเป็นการอุปโลกขึ้นมาซึ่งความเท็จให้แก่อัลลอฮ์และอ้างว่าอัลลอฮ์สั่งด้วยนะที่ที่น่ากลัวคือมันไม่ได้บอกว่าตัวเองทํานะไม่ได้เป็นคําสั่งบอกว่าอัลลอฮ์ใช้ใทําอย่างนี้อ่า อ้างเรื่องศาสนาแต่เอาเรบอกไม่เกี่ยวเลยเ mm hmm. พราะองค์ไม่ได้สั่งแบบนั้นเลยซึ่งพระ อ, องค์จะทรงลงโทษเขาในสิ่งที่เขานั้นกาูยัฟตารูนในสิ่งที่เขานั้นได้อุปโลกขึ้นมา mm hmm. เดี๋ยวดูตรงคำว่าจูฮูริฮิมหลังนะหลังนี่หมายถึงอะไรว่าอ mm ันอามุนฮริมาจูฮูรุฮา uh ah ซึ่งห้ามหลังเอาไว งงไหมห้ามหลังห้ามหลังตรงนี้ก็หมายถึงห้ามไปขี่มันสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อถวายจเจวิตเนี่ยห้ามมีใครไปขี่ห้ามหลังก็หมายถึงห้ามไปขี่มันเพราะาขี่ขี่ที่ไหนขี่ที่หลังสัตว์พวกนี้ต้องเลี้ยงอย่างดีเลยกินให้อ้วนกินให้พีห้ามใช้งานใครขึ้นไปขี่ถือว่าเป็นการไม่เคารพกับสัตว์ตนนี้เพราะสัตว์ตนนี้เป็นเหมือนกับของที่นําไปถวายเทวรูปรูปจวัดรูปเจวิต ก็จะเลี้ยงเหมือนไม่เหมือนสัตว์ประเภทอื่นห้ามใช้งานาเลี้ยงดีมากเลยนะกินดีอยู่ดีนั้นเวลาอ่านเนี่ยเราจะไม่เข้าใจว่าอันอามุลอันอามุนหุนน ร, ริมาซูฮูรฮาห้ามบนหลังของมันอะไรห้ามบนหลังห้ามขี่ครับแล้วมุกออดเนี่ยเวลาที่มีสัตว์ที่เป็นวซีลาเนี่ยสังเกตง่ายๆว่าสัตว์วซีลาเนี่ย เขาจะไม่นำมาทำฮัดเลยเพราะจะทำมาทำฮัตปั๊บมันต้องขี่ไงอ่าก็เลยต้องปล่อยเอาไว้ถ้าจูงก็จูงมาอย่างเดียวเลยไม่ห้ามใครขึ้นไปขี่เลยเอามาเชื่อถวายให้กับเจเวิตเพราะตอนนู้นเองเนี่ยที่มักกะเองก็มีเจวิตอยู่รอบมาากาบานะสามร้อยหกสิบกว่าเทวรูปอ่ามีแท่นบูชาเชื่อเต็มไปหมดตอนหลังนบีมาพิชิตมักกะ แม้กระทั่งตอนน บ, บีละหมาดในตอนแรกเลยเนี่ยในการเผยแพร่伊斯兰เนี่ยจวเจวติตก็ยังอยู่ก็ยังมีเจวเวติตอยู่ปกติแต่น บ, บีละหมาดนะเพราะถือว่าอซอนเดิมของมัสยิดทารอมเนี่ยเป็นอะไรเป็นมัสยิดอยู่แล้วแต่แค่มีคนชั่วคนเลวบางกลุ่มเอาเจวเวติตไปใส่แต่ถ้าอซอนเดิมของมันมันเป็นโบสถ์เป็นอ่าเป็นวดัดเป็นอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ให้เข้าไปยุ่ง อันนี้นะบีสั่งนะเวลาไปพิชิตเมืองอะไรก็แล้วแต่ศาสนสถานของแต่ละศาสนาต้องปล่อยเอาไว้อย่าไปทําลายแต่ปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนโบสถ์มาเป็นมัสยิดเหตุที่เปลี่ยนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเจ้าของโบสถ์เนี่ยบอกว่าสร้างโบสถ์ไปไม่มีคนเข้าแล้วก็เลยนํามาขายให้มุสลิมมุสลิมก็เลยซื้อพอซื้อเสร็จก็เปลี่ยนโบสถ์ให้เป็นมัสยิดที่ยุโรปมีหลายหลังมาก อ่าเพราะว่าความเติบโตของอิสลามที่มันล้นไปหมดแล้วในยุโรปนี่นะอันนี้ในฝรั่งเศส เ, เนี่ยน่าจะไปกันเยอะแล้วเพราะว่ามีอุพยบเข้ามานะอ่ะเดี๋ยวอ่านต่อจบยังเนี่ยอ่าจบแล้วนะอาญะนี้โอเคสรุปก็คือเขาโกหกใส่อัลลอฮ์ที่เขาไปตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมนุษย์เป็นคนอุปโลกขึ้นมา เอาต่อมาอายะที่ร้อยสามสิบก้าวกอลู ن มฟَบตูนิฮะดิฮิลอันงามิขอลิซตุลิดุูรีนา هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا วัดินาวิยากุมไม่ตัด ي, ي ه ่มฟิชรก จะจะีห์มัสฟะหุมอินน้าฮู حكيم อัลีมอัลมมาดูความหมายนะครับว่ากอรูและก็พวกเขาก็กล่าวว่าพวกไหนล่ะพวกเดิมนั่นแหละ พวกมุสลิมีนนะก็กล่าวว่ามาฟีบูตูนี่ฮะดีฮินอนันอามีคอลซสตุลลีดููรีนะสิ่งที่อยู่ในท้องของปัสัตว์เหล่านี้บูตูนบูตูนี่หมายถึงในท้องอ่าสัตว์ที่อยู่ในท้องสิ่งที่อยู่ขอโทษดิสิ่งที่อยู่ในท้องนะ คอริสตุลลิสุกูริเนะเป็นที่อนุมัติคอริสต์แปลว่าเฉพาะเลยเฉพาะใครเฉพาะผู้ชายเท่านั้นอ้าวไม่ให้ผู้หญิงด้วยนะให้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นวะมูฮัร์มุลไอเลอสเวจีหิมและเป็นที่ต้องห้ามแก่บรรดาภรรยาของเราคันนี้คำว่าสิ่งที่อยู่ในท้องเนี่ยตอนแรกเราอ่านปับ๊บเราก็จะนึกว่าถึงลูกของมันปะ น่าจะเป็นลูกของมันที่อยู่ในท้องใช่ไหมแต่จริงตรงนี้เนี่ยหมายถึงนมครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวอ่อนที่อยู่ในท้องตอนแรกเราพออ่านปับ๊บมันน่าจะเป็นลูกของสัตว์หรือเปล่าเพราะว่าลูกสัตว์เนี่ยมันมันออกมาทีเดียวแต่นมเนี่ยมันออกมาเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยอิสทาก อ, อัออสซาบีนำมาจากบดลไล น, น, น์อิบนอับินฮุเซนอิบนาอับบาสแล้วก็มาจากอิบนาอับบาสอธิบายว่า สิ่งที่อยู่ในท้องนั้นหมายถึงนมของมันและอันอัลฟาอีได้กล่าวโดยนำมาจากโนอาบาสเช่นเดียวกันว่าเกี่ยวกับอายาดังกล่าวนี้หมายถึงนมของปศุสัตว์เหล่านั้นหมายถึงนมนะแสดงว่าผู้หญิงเนี่ยจะไม่ได้กินนมสัตว์เหล่านี้เลยเอาหลอดูดิใจดำมากใช่ไหมผู้ชายกินอิ่มเลยแต่ผู้หญิงกินไม่ได้ นี่ไปกําหนดเองไองแล้วผู้หญิงก็เชื่อด้วยไม่กินด้วยไปกําหนดเองโดยพวกเขาเนี่ยเคยห้ามนมของมันแก่บรรดาสตรีของพวกเขาอันนี้หมายถึงพวกมุชลิีในสมัยก่อนนะแต่บรรดาแต่บรรดาผู้ชายของเขาเนี่ยดื่มมันได้อ่าและปรากฏว่าแกะนั้นอันนี้เรื่องแกะแล้วนะ แลวปรากฏว่าแก่นั้นเนี่ยเมื่อมันคลอดออกมาเป็นตัวผู้และเขาเชื่อมันเขาก็จะเชื่อมัน่ะถ้าคลอดออกมาเป็นตัวผู้ปั๊บเขาก็จะเชื่อมันและบริโภคเฉพาะที่เป็นเฉพาะผู้ชายอย่างเดียวผู้ชายจะกินได้ถ้าคลอดออกมาเป็นตัวผู้นะผู้ชายกินได้ผู้หญิงห้ามแต่ถ้าปรากฏว่าคลอดออกมาแล้วเป็นตัวเมีย อ่าคอดออกมาแล้วเป็นตัวเมียก็จะปล่อยเอาไว้โดยไม่เชือดไม่เชือออ่าและถ้าปรากฏว่าลูกที่คอดมาตายหมายถึงไอ้ตัวคอดนะคอดออกมาเป็นตัวผู้กินได้เอามาเชืออได้แต่เชืออปุ๊บกินได้เฉพาะผู้ชายผู้หญิงห้ามกินแต่ถ้าขอดออกมาเป็นตัวเมียรอด ไอ้ตัวนี้กป็ปล่อยไว้ไม่ทําอะไรเลยปล่อยไว้เพราะมันเป็นสัตว์ของเจเวิเนี่ยเสร็จแล้วถ้าคลอดออกมาและสัตว์ที่คลอดออกมาตายนั่นแหละผู้หญิงและผู้ชายถึงจะได้กินกันโอ้โหแล้วมันจะสักกี่ตัวละ่ะคลอดมาแล้วตายเนี่ยส่วนใด จ, จะไม่ได้กินเนอ่ยแต่ถ้าคลอดออกมาปับ๊บมันตายสาัตว์ที่ที่คลอด ท, ท, ที่ที่มันเพิ่งคลอดออกมาเนี่ยถึงจะเอามาเสื้อและกินกันทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงถึงจะได้กิน นะต่อว่าอี้กุมไม่ได้ตามเนี่ยเลาเล่าต่อแลตหาว่ามันตายอ่านี่ยกินเล่าแล้วเนาะฟรฮุ่มฟรีฮิชูโรกาพวกเขาจึงให้มีหุ้นส่วนในมันหมายถึงผู้หญิงและผู้ชายสามารถกินได้คำว่าหุ้นส่วนตรงนี้หมายถึงกินนะอ่ามีส่วนในมันหมายถึงว่าสามารถเอามาบริโภคมากินได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายซึ่งตอนแรกเนี่ยไม่ได้ผู้ชายได้อย่างเดียว อันนี้หมายถึงเรื่องกินเนื้อและส่วนนมนี่ห้ามอยู่แล้วผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ได้กินนมเลยสย ah um าจีฮิมวัสฟาฮุมนะพระองค์นั้นจะทรงลงโทษพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาได้กำหนดเองขึ้นมาในลักษณะเอาไว้วัสวาฮุมก็คือไปตั้งกฎกติกาแปลกๆแบบเนี้ยเอาไว้แล้วเอาเปรียบผู้หญิงด้วย่า อินนาฮูฮากีมุนอาลีมแท้จริงพระองค์นะั้นเป็นผู้ทรงปรีชาญาและผู้ทรงรอบรู้นะครับอ่ะนี่ก็คือสัตว์ที่เขาเลี้ยงเอาไว้เพื่อบูชาจเจวิตนะอันนี้ถ้าเป็นสัตว์ทั่วไปกินได้อยู่แล้วนะยังบางคนต้ถามอ้าวแล้วแล้วผู้หญิงไม่ได้กินนมสัตว์เลยกินได้แต่ต้องไปสัตว์อย่างอื่นไงที่ไม่ใช่สัตว์ประเภทพวกนี้ถ้าเป็นสัตว์ประเภทพวกนี้ก็จะมีข้อมีกฎเกณฑ์เยอะต้องนั่นต้องนี่ห้ามนั่นห้ามนี่นะครับ ซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานาะหัวตาลเนี่ยก็กําหนดกฎเกณฑ์บางเรื่องเช่นกุรบันกุรบันมีการร้อก็กำหนดนะห้ามเอาสัตว์ตาบอดมาทําฮะหูแหวงนี่ต้องดูว่ามันมาแหว่งที่หลังไหมอ่าถ้ามาแหวงที่หลังเนี่ยห้ามแต่ถ้ามันเกิดมาเลยอ่าอันนี้ก็มีคีราบกันอยู่ขาเป๋สัตว์ที่ ผอมจนกระทั่งไม่มีแรงในการจะเดืนจูงไปเชือดมันไม่ลุกเล้ยวอะ่ะจูงไปเชือดไม่ได้อะ่ะอันนั้นห้ามคือไม่มีแรงเลยหมดสภาพแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเอามาเชือดเลี้ยงงานวารีมะไม่ได้คนละเรื่องกันห้ามเฉพาะกุรบันแต่สมมติเราอยากจะมาเชือดทำซุปกินหลังจากวัน ไปแล้วงานตรงงานแต่งอันนี้ได้มีปัญหาเลยมันจะตาบอดมันจะตาเขมันจะมีสามขาได้หมดแหละแต่พอไปเรืนกุฎบัตรปั๊บเพิ่มเพิ่มข้อกําหนดมานิทหนึ่งสี่ข้อที่บอกไปแล้วในฮะ ด, ดิษต้องสมบูรณ์แต่จริงๆนอ่ไอไอสมบูรณ์เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับราคาด้วยไง <laughs> สมบูรณ์มากก็ไม่มีตัง <laughs> อวันก่อนฉันออกเป็นพาไปดูข่า ว, วัวที่แพงที่สุดในโลกนะตัวละร้อยกว่าล้านเองอยู่ที่เมกาอแพงมากวัวบราซิลแต่นี้กม็มีปัญหาอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาการเชื่อดกุรบันเ น, เนื้อก็เอาไปไปแจกจ่ายแต่มันเป็นเนื้อที่เกิดจากความศรัทธานอะอะเกิดจากความศรัทธาก็เลยมีกฎกําหนดกฎเกณฑ์นิดหนึ่งคําว่าพรีของเราเนี่ยเราก็ ใช้ตักวายำเกรงอัลลอฮ์และก็แจกอะต่อมานะครับร้อยสี่สิบจะพูดถึงเรื่องของพฤติกรรมอันเลวทรามของพวกมุชริกินต่อนะกดขอาิร์ลทลีนะก็ัะลูอาวลาดฮุมส์ฟะฮัมบีไกรอิลม و َ ح َ ر ْ م ُ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ فتِرَاءً ْ عَلَى اللَّهُ ก็จะ ظلوا من كانوا م, م ت د ي ก็จะแปลว่าแท้จริงแท้จริงเลยเน้นเลยนะก็อนี่ชี้เลยเน้นเลยแท้จริงอะไร คอสซีรอนแลดีแปลว่าขาดทุนแล้วใครอ่ะใครที่ขาดทุนบรรดาผู้ซึ่งก็แต่ลูเอาลาดาหุมบรรดาผู้ที่ฆ่าลูกลูกของพวกเขาอ่าทำไมซัฟฮัมบกอเรอินมินเพราะความโง่เขลาโดยปัสาจากความรู้คำว่าซัฟฟรฮัมนี่ก็คือโง่เขาเบาปัญญา และก็มีกอยรีเนมินก็ไม่มีความรู้ใดๆด้วยนะทำไมอ่ะเพราะวัฮัร์มูมาราซกะฮุมุลลอฮุฟตีรอ อ, น อ, าา อ, อ, ลลอันอัลเลาะอัลลลออัลเลาลลอและห้ามสิ่งอันนี้คนละอันแล้วนะและก็ห้ามสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เป็นปัจจัยยังชีพของพวกเขาก็ลองดูดินมไมนั่ น, น ก, ก็กินไม่ได้ สัตว์ที่เลี้ยงไว้แทนจะเามาเชื่อดกินไอน้นี่ก็กินไม่ได้ครั้นี้มันไม่จนเหรอสมมติมันเลี้ยงวัวไว้สักสิบตัวเป็นของจวเจวิตสักแปดเก้าตัวเงี้ยเหลือไว้กินแค่สองตัวนมกับเลือดไม่ได้ก็ไปกําหนดกฎอะไรให้ตัวเองลําบากเจ๊แม่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ฮาลานเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเลยแต่พอไปกําหนดอะไรที่มันอุปโลกขึ้นมาว่านี่ฮารอมฮารอมฮารอมครั้นี้ลูกเมียก็อดหมดแล้วอ่าไม่ได้กินแล้ะ อุสาเลี้ยงไว้อย่างดีปลูกผักเอาไว้อย่างดีปลูกพืชเอาไว้สุดท้ายลูกเมียไม่ได้กินเอาไปถวายจเวิหมดอ่าพอสุดท้ายทำยังไงต่อพอลูกเมียไม่มีจะกินพอเอคลอดลูกออกมาก็ฆ่าลูกตัวเองทิ้งเลยอันนี้มันมันใช่ไหมเนี่ยอ่าแล้วก็ไปฆ่าลูกตัวเองทิ้งเพราะอะไรเพราะว่ากลัวความยากจนอ่าแต่ว่าคุณเนี่ยเก็บไอ้ของที่ควรจะเป็นให้ลูกคุณเนี่ยเอาไปถวายทั้งหมดมันขัดกับ สติปัญญามากๆเลยนั้นอิสลามเราเนี่ยบอกว่าไม่ใช่เราจะทําบุญอันนี้พูดถึงปกตินะเราจะทําบุญอะไรก็แต่เนี่ยให้ทําบุญกับครอบครัวก่อนอ่าให้ทําบุญกับคนในเราเนี่แหละอ่าอย่าเพิ่งนึกถึงคนนอกจึงมีคํานึงบอกว่าเวลาทําบุญน่ยให้คนที่อยู่รอบข้างเราได้ประโยชน์ไม่ใช่คนที่อยู่นู แทบจะไม่เห็นหน้ากันเลยเขาได้ประโยชน์แต่คนที่อยู่รอบข้างเรากับไม่ได้ประโยชน์จากการทําบุญของเราเลยเช่นเราอยากจะสร้างอยากจะบูรณะมสศิดย์มาศิษย์ที่ควรจะบูรณะมากๆก็มาศิษยที่เราละหมาดนี่เละใช่ไหมไอ้ที่เราล ะ, มาละหมาดแล้วผลมันตกใส่หัวเราที่ไม่ค่อยสบายเนี่ยออมมาปล่อยไว้ก่อนไปเอานูน่นเอาฮารอมนูน่นโอ้โฮหฮารอมนี่เขามีคนดูแลแล้ว <laughs> ปีก็ไม่ค่อยได้ไปเอาใกล้ๆตัวนะ แล้วก็พวกนี้เนี่ยเขาฆ่าลูกเขาอย่างเลือดเย็นมาพอรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจะเลี้ยงได้ก็เอาไปฆ่าทิ้งบางทีก็โยนให้เอาไปปล่อยไว้ในป่าให้สิงโตมันกินให้สัตว์กินซึ่งมันเป็นความเป็นการกระทำที่เลวทรามมากนะผิดมนุษย์มานาขอโทษ อ, อ่าอยาดีนะฉะนั้นะขนะบอกขนะว่าที่ยวรอบบอกวบอนบ้านัวอ่อน ปัสุสัตว์เนี่ยบางครั้งเนี่ยไอ้ว่ามันมันไม่ดีนะมันมันสัตว์สีเท้าเนี่ยมนุษย์จะเลวกว่าเพราะว่าสัตว์สีเท้าเนี่ยมันยังรักลูกมันมันยังเลี้ยงลูกมันนะแต่มนุษย์นี่ฆ่าลูกตัวเองได้เนี่ยมันเลวยิ่งกว่าสัตว์สีเท้าซะอีกอ่านี่คือพฤติกรรมความชั่วร้ายของมนุษย์ที่หลงทางและก็โง่เขลาบาบัญญาบีโกยเดอไอนมินนั้นปัจจุบันก็ก็มีให้เห็นนะไอ้ที่เอาลูกมาทิ้งไว้ถังถังขยะมั้งนะเอา ไปปล่อยเอาไว้อ่าไม่รับผิดชอบนะของเราเนี่มดกัดตัวหนึ่งเนี่เราก็เครียดแล้วไอ้นี่ไปวางในถังขยะมดมรุตกี่ตัวกัดลูกมันทําใจใจคอมันทําด้วยกับอะไรนะวันก่อนมีข่าวแ ม, แม่มีลูกมีลูกพ่ออะไรรู้ไหมเพราะว่าไปนอนกับพ่อ้ายยาบ้าจนกระทั่งตัวเองท้องพอท้องเสร็จ ป, ปุ๊บดูดยาบ้าเลยให้ลูกดูดด้วยโอ้โหเขาไะไรจับกันตีกัน นะมันมีแม่พวกนี้เหมือนกันนะแต่สุดท้ายแล้วมันก็กลับไปที่ว่าเรื่องของยาเสพติดมันทำลายสมองหมดนะต่อมาก็เดอรดอนลูอามาการูมุตะดีนแ uh ท้จริงพวกเขาเนี่ยหลงผิดไปแล้วโดยที่บวกเขาเนี่ยไม่ได้รับคำแนะนำเลยเมีตัวอย่างอันหนึ่งอบูบักอัลมัดดวัวได้กล่าวอธิบายในอายะนี้โดยนำมาจากอินอบาเสเช่นเดียวกันนะบอกว่าหาก ท่านจะต้องหากท่านต้องการจะรู้ถึงความโง่เขลาเบาบรรยาของชาวอาหรับอยากจะรู้ว่าคนอาหรับยุคยาฮิลิยะเนี่ยเขาโง่ขนาดไหนเนี่ยอินโนบะบอกว่าให้อ่านอายะที่ร้อยสี่สิบสุรานามเอาเราได้เอามันเล่าให้ฟังแล้วถึงความโง่เขลาบาบรรยาของคนอาหรับนะอาหรับยาฮิลิยะนะไม่ได้เหมารวมนะอายะอาหรับญาฮิลียะ นะส่วนอาหรับที่รับอิสลามก็เป็นอาหรับที่ได้รับทางนำนะแล้วก็ออกจากพฤติกรรมปาเทือนนะครับ อ, อ่านต่อนะวะฮุวัลลดีอัลชนนาอัจญนติมมารูชาติอวะไกรมารูชาต والنخل وزرع َّ وال وال مختلف ًَُِْ ا أقوله ُُ والزيتون وال ََ ورمان َُ وَالزَيْتُونَ وَالرُمَّانَ م ُ ت َ ش َ ا ب ِ ه َ ا وَغَيْرَ م ُ ت َ ش َ ا ب ِ ه ً กุลูมิซมารี إذا أثمارواته حقه يوم حصاده و ่าลาตุสริฟอูอูอูอูอูอู ي ูอูอ َ่า ن َอัลแอนงามูลาตَว่าฟรช่าว่ามีอัลแอนงามูลาตูว่าฟรช่ากลุ่มิมมาระซักุมุลลาห์วะลา ا تابع خطوات الشيطان. م ن ما رزقكم الله ولا تتابع خطوات الشيطان. إنه لكم عدو مبين. ามาดูความหมายนะสองอายะ41กับ42อัลลอฮ์าบอก ว, ว่าวะฮุลัลดีอันชาจันนาติมมารูชาติวะกอยรอมารูชาตและพระองค์นั้นและพระองค์นั้นก็คืออ AH นะัลลอฮ์นยคือผู้ทรงให้มี สวนทั้งหลายคําว่าจันนะตัวนี้ไม่ใช่สวรรค์นะอันนี้หมายถึงสวนที่ปลูกผักส่วนจันนะนี่ก็แปลว่าสวนนั่นแหละแต่เขาใส่คําว่าสวรรค์ก็ไม่ได้สวนสวนสวรรค์อ่ายันจันนะเนี่ยมีทั้งจันนะจันนะที่เป็นสวนจริงๆหมายถึงสวนที่ทําการเกษตรเนี่ยนะอัลลอฮ์เนี่ยได้ทําให้มีสวน สวนแบบไหนสวนที่มีความหลากหลายสวนผักสวนผลไม้ใช่ไหมสวนองุ่นสวนแอปเปิลสวนทุเรียนวางกันไปตามคำว่าหลากหลายนี่ตามอะไรตามชนิดของผักผลไม้ซึ่งสวนก็จะแตกต่างกันออย่างใครใครไปสวนองุ่นเนี่ยอยู่ดีคุณจะไปปลูกองุ่นคุณต้องทําร้านให้มันนะทําที่ให้มันเลื้อย แต่ปลูกมะพร้าวไม่ได้มะพร้าวไม่เลื้อยมะพ้าวขึ้นตรงตัวอย่างนะนั้นสวนแต่ละสวนก็จะมีความแตกต่างกันสวนผักอีกแบบนึง่งเอาล่ะให้มีความหลากหลายมากทั้งที่มีร้านเนี่ยงงไหมทั้งที่ถูกให้มีร้านและไม่ถูกให้มีร้านฉันอ่านตามได้ตอนแรกฉันนึกว่าร้านขายของจริงๆไม่ใช่เขาเรียกนั่งร้านนะนั่งร้านก็หมายถึง ให้มันพลาดให้มันเลื้อยไปเออเห็นไหมมีอะไรบ้างที่เป็นพืชที่เป็นต้องใช้ร้านชินในหนังสือเขียนนะน้ำเต้าใช่ไหมมีอะไรอีกบวบเอาเอ า, เอาในเอาในหนังสือนะอันนี้เนี่ยไม่ใช่นอกหนังสือนะน้ำเต้าอันนี้ในอารับมีน้ำเต้านะแล้วก็อางงูง่าย อ่างงูเนี่ยองุูนี่ต้องเลื้อยเลยอ่างงูก็ต้องมีนั่งร้าให้มั น, นะแล้วมันจะห้อยลงมาเราเวลาตัดเนี่ยตัดเนี่ยไม่สามารถใช้กรรไกทั่วไปตัดต้องมีกรรไกตัดเฉพาะอ่างงูเลยแปลกไหมอ่างุน่นนี่ถ้าตัดไม่ทวงนี่เดี๋ยวเน่าต้องมีกรรไกของมันอ่างงูบางที่นะส่งมาจากต่างประเทศไม่อยู่เมืองไทยเฉยเลยความจริงถ้าเป็นบ้านมันต้องเน่าแล้วนะแต่มันไม่เน่านี่แปลกนะอ่งุูนี่ใส่ ย, ยาป่าไม่รู้แต่อร่อย อาเงินต่างประเทศอร่อยเออส่งมาจากต่างประเทศแต่มาส่งเครื่องบิน อ, อ๋อมมาไว้คือเครื่องบินมาทีานี้อัลลอฮฺให้มีมีทั้งมีร้านและก็ไม่มีร้านนั้นคำว่ามะอูชาร์ตคือสิ่งที่มนุษย์ทําให้มีที่ที่พำนักสิ่งที่มนุษย์ทําให้มีที่พํานักโอยโรมะคําว่ากอยโรมะรูชาร์ตคือไม่เป็นไม้เลือ้อยมีลําต้นขึ้น มันจะขึ้นตามพื้นดินและภูเขาอันนี้มีทั้งผลและไม่มีผลมีพืชตรงเนี้ยที่เป็นลำต้นนี่นะมีทั้งมีผลแล้วก็ไม่มีผลอ่าอาจจะเป็นไม้สวยงามก็ได้ไม้ปลูกเอาไว้ร่มรื่นก็ได้อใครปลูกต้นกามปูอย่างเงี้ยคขไม่หวังกินละต้องหวังร่มไม้อย่างเดียวร่มรื่นอ่าเพราะเขาเคยปลูกทุเรียนแล้วตกลงมาใส่หัวเขาว่าเล่นปลูกอย่างอื่นเอาต่อมา มีอะไรอีกอโลอสร้างนะด้วยความความมหัศจรรย์ความยิ่งใหญ่ของลนะ้อนเนี่ะของพืชเหล่านี้วนนักละแล้วก็มีอะไรอีกมีอินดาพาลัมพาลัมนี่ใช้ได้ทุกส่วนนะอ่าทางยอดของมันทุกอย่างเป็นประโยชน์หมดเป็นพืชที่พิเศษจริงๆอินดาพาลัมนักเ ป, นเป็นต้นนะต้นอินดาพาลัมส่วนตำมัดคือผลนักแปลว่าต้นอินดาพาลัม ต่อมาวัาระวระแปลว่าอะไรวราแปลว่าพืชต้นไม้ทั้งหมดที่ปลูกโดยผลของมันเนี่ยมุคติฟันอูกูลูฮูเวลาปลูกออกมาเนี่ยรสชาติแต่ละพืชแต่ละผละไม้เนี่ยมีรสชาติที่ต่างกันบางอันเนี่ยผิวเหมือนกันเลย ดูคล้ายๆกันแต่พอกินผลผลรสชาติต่างกันเลยอ่าใครเป็นคนออกแบบให้รสแบบนี้แบบนี้ Allah. อัลลอ์อ่ามนุษย์เนี่ยลองไปทำเนี่ยทาให้ส้มเป็นอีรสนึงมะนาวทำให้หวานอย่างเงี้ยไม่ได้มะนาวต้องเปรี้ยวทุกอย่างจะมีรสตามที่อัลลอฮ์ได้กาหนดเอาไว้ว่าไซโตนไซโตนแปลว่ามะกอกมะกอกน้ำมันมะกอกน้ำมันไซโตูนอ่า ส่วนตีนแปลว่ามะเดืออมะเดือไซตูลแปลว่ามะกอกวารุ ม, มานนุมมานอะไรชอบกินไหมอร่อยอร่อยนะทับทิมอรลอยน้ำทับทิมนี่ยังแพงต้องสดสดนะคันสดสดอร่อยมากทับทิมมุตเชาบีฮันวอรกยรมุตชาบีโดยมีความละไม้คล้ายกันและไม่ละไม้คล้ายกัน มีทั้งคล้ายกันแล้วก็แตกต่างสายพันธุ์กันไปอ่าต้นเหมือนกันแต่คนละพันธุ์กันรสชาติก็ต่างกันเอาล่ะนี่ความความยิ่งใหญ่ของเราอ่มามะม่วงนี่หลายพันธุ์เปรี้ยวก็มีหวานก็มีทำดิละพูดล้หิวผลไม้ใครชอบผลไม้นะผมไม่ค่อยเท่าอะไรเรื่องผลไม้แต่คนชอบผลไม้นี่เขากินได้เป็นโลโลนะเออคนชอบผลไม้นี่คนสมัยก่อนขาดไม่ได้เลยทําบุญต้องมีผลไม้ต่อมา กูลูจงบริโภคมันเถอะอย่าไปห้ามไว้กินไปเลยผลไม้นี่ฮารานหมดนะมินเซมารีฮีจากผลของมันอ่าจากผลของมันกินไปจงบริโภคผลของมันเถิดเมื่อมันออกอีลาอัสมาร์อเมื่อมันออกผลก็ให้กินผลมันไม่ใช่ปล่อยทิ้งเอาไว้ใช่ไหมมีประโยชน์อะไรปล่อยผลทิ้งเอาไว้หนุกสุกเน่าคาต้นเป็นการ เป็นการฟุ่มเฟือยด้วยซ้ำํำใช่ไหมต้องเอามากินเอามาใช้ประโยชน์กินไม่ทันก็เอามาแจกอขายแล้วถ้ากินไม่ทันอีกไม่อยากจะขา ย, ขายก็เอามากวนมะม่วงก็ทําเป็นมะม่วงกวนทุเรียนกวนถนอมอาหารได้อีกเห็นไหมเอออย่าปล่อยให้มันเน่าคาต้นวอาตูฮักกอหูเย้ามหาซอดีและจงแจกจ่าย เอาและอาตูตรงนี้หมายถึงว่าเอาไปแจกจ่ายส่วนที่เป็นสิทธิ์ของมันด้วยวันที่เก็บเกี่ยวอันเนี้ยเป็นอิยกากรุานที่พูดถึงสกาัดะกาัดไรสกาดพืชผลไม่ได้นับรอบปีนับวันเก็บเกี่ยวทํานากี่รอบก็จ่ายตามนั้นพอเก็บได้กี่ถังกี่ถังจ่ายสกาดเลยปีนึ่งทำสามครั้งก็จ่ายสามรอบแต่ถ้าะกาดโดยทั่วไปจ่ายปีละครั้ง สกาดเงินะกาดทองจ่ายปีละครั้งยกเว้นสกาดพืชผลเอาว่าเก็บเมื่อไรจ่ายเมื่อ น, นั้นเวลาตุสรีฟูและอย่าได้ฟุ่มเฟือยนะอ่าพอรอให้เยอะเอาใหญ่เลยคนนี้ฟุ่มเฟือยเลยไม่ใช่อย่าฟุ่มเฟือยรอดเตือนนะอย่าฟุ่มเฟือยอินนาหูลอยู่ให้บุลมุสรีฟีนเพราะว่าแท้จริงอลอนนั้นไม่รักไม่ชอบคนที่ฟุ่มเฟือยทั้งหลาย อ่าคำว่าฟุ่มเฟือยตรงนี้ก็คือไม่เอามาทําประโยชน์ปล่อยทิ้งปล่อยคว่างนะครับเคยอธิบายแล้วเนอ่ามีเสื้ออยู่ยี่สิบตัวจะมีโต๊บเนี่ยสิบตัวไม่ฟุ่มเฟือยหรอกพอฉันใส่ทุกตัวไม่ฟุ่มเฟือยเพราะใส่ทุกตัวบางวันตอนนี้ใส่ไม่ได้หลายตัวเพราะว่าซักแล้วตากไม่แห้งตอนนี้มีกินอับอยู่หลายตัวเห็นไหมแต่ถ้าเกิดสมมุติมีอยู่แค่ห้าตัวแต่ใส่แค่ตัวดียสามตัวไม่ได้ใส่เลยสตัวอันนี้เริ่มจะฟุ่มเฟือยแล้วเพราะไม่ได้ใช้ประโยชน์ซื้อมาทำไม นั่นดูที่ใช้ประโยชน์นะมีเยอะซื้อเยอะเพราะว่าต้องใช้ใช้เยอะอันนี้ไม่ฟุ่มเฟือยแต่ถ้ามีความต้องการน้อยแต่ซื้อมาเยอะและไม่ได้ใช้ประโยชน์ทิ้งคว่างๆอันเนี้ฟุ่มเฟือยน่ากลัวอ่าแต่ซื้อมาตุนได้ไม่มีปัญหาพอถ้าใช้อยู่แล้วนะหมายถึงว่าสุดของใช้ที่มันไม่เสียไม่มีปัญหาว่ามีนั่นอานามีและบรรดาปัสุสัตว์นั้นอ๋อเราบอกนะอ๋อเราพูดถึงผลไม้แล้วบัญทีพูดถึงสัตว์โคมูละฮามูล่ล่ะแปลว่าอะไร เอาละให้สัตว์แต่ละชนิดต่างกันบางชนิดเอาละให้ใช้ประโยชน์ในการแบกหามของเช่นอูดเช่นลานะใช้ใช้ลากจูงนะครับฟารชาบางชนิดใช้เอาไว้ทานเนื้อไม่เหมาะกับการเอามาแบกมาหามเสียของหมดเพราะอันนี้เนื้อมันอร่อยต้องเลี้ยงไว้กินส่วนใหญ่ว่ากินเนื้อเนี่ยจะเป็นสัตว์ตัวที่ไม่ใหญ่โตมากกำลังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ แต่เนื้ออร่อยแต่ถ้าสําหรับสัตว์ไว้ใช้งานส่วนใหญ่เวลาเชือดออกมาแล้วเนื้อมันจะแข็งอย่างเช่นควายตัวอย่างเนี่ยคนเชือดควายสมัยก่อนเน่ยเนื้อเหนียวเนื้อแข็งเพราะมันทํามันแข็งมันทํางานเนี่ยเาลาบอกไว้หมดเลยนะอะนั้นสัตว์ที่เอาไว้กินมันจะเนื้อมันจะไม่ค่อยทํางานเท่าไหร่ไว้กินอย่างเดียวเลี้ยงไว้กินคุณไว้กินทํางานก็อีกประเภทหนึ่งอ่ากูลูมิมมารอซากกกูมุลโลท่านทั้งหลายจงบริโภค สิ่งที่เป็นไปปัจจัยยังชีพแก่พวกเท่าเจ้าเถิดนั้นการมีความเชื่อเป็นมังสวิรัตอันนี้ขัดตลักการศาสนานะการไม่กินเนื้อทําให้บริสุทธิ์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่หลักการรกะศาสนาเรานะใครไปเชื่อแบบนั้นเนี่ยถือขั้นไปเอาความเชื่ออื่นมานะพ่อรับบอกว่าให้กินเนี่ยกินเนื้อแต่กินพอประมาณอย่า ก, กินแบบจนกระทั่งเป็นโทษกับร่างกา ย, ยานั้นถ้าท่านไม่กินเพราะว่าระบบย่อยไม่ดีในะเรื่องหนึ่ง แต่ท่านมุนมีความเชื่อเลยว่าการไม่กินเนื้อสัตว์ทําให้เกิดความบริสุทธิ์อีิม่านจะเพิ่มอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ขัดกับหลักการศาสนาเพราะเราบอกว่าให้กินเนื้อสัตว์เนี่ยให้กินได้นะเวลาเตเตบิองคุโตวะทิเชตตอนและอย่าได้เดินตามก้าวเดินของเชตตอนเพราะแท้จริงมันคือศัตรูอันชัดเจนอาดูมูบินคําว่าศัตรูชัดเจนหมายถึงศัตรูที่ไม่มีการเราจะสามารถสงบศึกกับมันได้เป็นศัตรูกันยันวันิกิยามัต ข้อใช่ตอนเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะไปคืนดีกับมันได้อ่าแต่ศัตรูที่เป็นมนุษย์บางครั้งอาจจะเปลี่ยนเป็นมิตรก็ได้กลับเนื้อกับตัวได้แต่ใช่ตอนไม่มีนะกลับตัวใช่ตอนเผือ่อใช่ตอนจะกลับตัวไม่มีอ่าพอใช่ตอนเอาล่อให้มันลงนรกไปแล้วแต่มันขอกลับล่อไว้เพื่อจะพามนุษย์ชั่วๆทั้งหลายไปเป็นเพื่อนมันนั้นไม่มีคําว่าเป็นมันคือศัตรูที่ชัดเจนนะครับอ่ะ เออนิดนึงนะว่าอายาที่บอกว่าเยามาฮาซอดีฮีอันนี้เป็นซูราม ก, กียะยังไม่มี zakat าาตอนนั้นตอนนั้นยังไม่มี zakat าาที่ถูกกาหนดตายตัวว่าต้องได้นนเท่านั้นจ่ายเท่านี้ยังไม่มีแต่เป็น z a k a เป็นเรื่องของการบริจาคแบบอาสาตอนนั้นนะหมายถึงว่าให้ทําส่วนและให้เก็บส่วนนึงเอาไว้ให้กับคนที่ยากจนแต่ยังไม่ได้กําหนดว่าให้เท่าไหร่ ว่าตอนหลังเนี่ยอายาาาอ่าสกาดเรื่องของสกาดมาที่เมืองมาดีนะมากำหนดเลยว่าต้องจ่ายเท่านั้นเท่านี้แต่อันนี้เป็นแค่บอยเฉยว่าเมื่อเก็บเกี่ยวให้แบ่งส่วนหนึ่งให้กับคนยากจนด้วยนะครับอันนี้บางคนก็เอามาโยงมั่วเช่นบางคนบอกว่าคนมีหอพักต้องมีสกาดไหมเพราะเนี่ยวันที่เก็บเกี่ยวเขาหมายถึงว่าวันที่มีใจค่หอ พอได้ตังก้อนเมืองให้ใจสกาดเขาบอกอันนี้มันใช้พืชผลไม่ใช่เรื่องของหอพักไม่เกี่ยวคนละเรื่องเลยเงินเดือนไม่มีสกาดตังหอพักแต่ละเดือนไม่มีสกาดคนละเรื่องกันอันนี้เฉพาะหมายถึงอะไรหมายถึงพืชพันธุ์ทัญยพืชที่เก็บเกี่ยวส่วนเงินเดือนที่เราได้มาถ้าครบปีแล้วมันเงินมันนิ่งครบปีแล้วครบนี่สอบถึงจะจ่ายรอบหนึ่งไม่ใช่ตัดเลยอ่าบางคนตัดเลยตัดตัดเลยอันนั้นไม่ใช่สกาดอันนั้นเป็นบริจาคไป ถ้าจากาศต้องจ่ายครบรอบปีและมีจำนวนที่ตายตัวนะครับอันนี้บอกก่อนนะเพราะจะากาศจะจ่ายรอบปีไม่ได้จ่ายรายเดือนนะครับอะต่อมาอ่านต่อนะ 4, สี่สิบสามแมาียตอัวาจิมมีนะั โดนิสเนินอวมินะมะจิสเนินแ ทักอะไรนี่ห้าร่ำมาอันอุทัยอินทักอะไรนี่ห้าร่ำมา م ันอุท ل ยออมตมาล عليه أرحام الأثين أم مشتملت علي ر ح ا م م ا ل ي ن bi-أوني ب ِ ع ِ ل ْ م ٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ َ لا bi-أوني ب ِ ع ل م ٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ وَمِنَ น ل นี้ว่ามีนั้นบักริศนัยน์ว่ามีนั้นบักริศนัยน์คุลอาดกะไรน์ حرماء มิอุน ث ัย ن ِ م ั ت เตมั عليه أرحام الأثين จะมุ่งตุ د ชูเหตุอ้ายด์ว่าสั่งอุหมะฮ فمن أظلم من من افترى على الله كذبا ليضلل الناس بغير علم. อ่าแล้วตัวมีมอย่าลืมนะอินปิดปากตอนหลังนะจ้ะได้จ้านั่นแหละ <ت ص في ق> อินนัลลอฮ์ ล, ลา يهدي ا ل ق อินนัลลอฮลา ي ه د อ่ามาดูความหมายนะ และอัลลอฮ์เนี่ยสมานียะสมานียะแปลว่าสัตว์แปตัวอ่าสัตว์แปดตัวซึ่งแปดตัวเนี่ยจับคู่กันอ่าเมื่อแปดตัวจับคู่กันจะมีกี่คู่สีค่คู่อ่าซึ่งอัลลอ์ให้มันจับคู่กัน มันจะจับคู่ต่างกันไม่ได้นะมันต้องเป็นคู่ของมันเช่นแพะกับแพะแกะก็แกะไม่มีเนี่ยแพะไปเล่นกับวัวอะไรเงี้ยไม่มีมั่วมั่วอันนี้ไม่ได้สูสเราเลี้ยงกันใช่ไหมสูสเรามีขอโทษนะเรามีวัวอยู่ตัวหนึ่งวัวตัวเมียแล้วก็มีมีแพะตัวผู้นี่คิดวมันจะได้ลูกไหมมันไม่สายมันไม่ข้ามสายพันธุ์เนี่ยเออไม่ได้หรอกมันต้องเป็นคู่ของมันมันถึงจะ ออกลูกออกหลานถูกไหมนะอาอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยแปดตัวมีสี่คู่เออเห็นไหมแม้กระทั่งแพะกับแกะนี่มันก็เหมือนใกล้กันนะแต่มันก็ไม่มั่ว น, นะมันก็อยู่คู่ของมันแพ ะ, ะกับแพะแกะกับแกะเอองงไหมน่าจะได้นะแพะกับแกะเนี่ยไม่ได้เป็นคู่ของมันอลัลลอฮ์สร้างมาเป็นงี้อา้าวต่อมาซามานีตะอัจวะอัลลอฮ์ทาให้มีแปดตัวและมีสี่คู่ คืออะไรบ้างหนึ่งมีนัดดอนี่คือแกะอิสไนแกะสองตัวมีนัดมารซีมมาแปลว่าแพ้มาแปลว่าแพะนะแล้วก็แพะอีกสองตัวอคู่ของมันคู่แกะกับคู่แพะกุลอะซาร์ไนี่ฮรรอมะอามิลอุนเสยยจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่า ตัวผู้สองตัวนั้นหรือที่พระองค์ทรงห้ามหรือว่าตัวเมียสองตัวนั้นเป็นคำถามที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาถามกับพู้บุชดิที่มาห้ามมาห้ามสัตว์ว่าสัตว์นั้นห้ามกินสัตว์นี่ห้ามขี่สัตว์นั้นห้ามเพื่อจะไปให้จเจวิตมีคำสั่งจากอัลลอฮฺไหม พระ อ, องค์มนเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างมาเนี่ยพระ อ, องค์เนี่ยทรงสิทธิ์ที่จะสั่งอยู่แล้วว่านนี้กินไม่ได้นี่กินไม่ได้แต่มันมีคําสั่งไหมล่ะว่าแพะนี่ห้ามกินนะแกะห้ามกินนะอันนี้ไม่มีอ่าเป็นการถามเน้นย้ําว่าไอ้สิ่งที่บุคคลตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาเนี่ยเอามาจากไหนเรื่องศาสนาเนี่ยเอามาจากไหนตั้งเองเปล่าถ้าตั้งเองเรียกว่าเถือนไม่ยอมรับนะอ่าเราไม่ยอมรับจงกล่าวเถอดมุฮัมมัด อ่าอัมมาสตามลาลาและเฮอาระหามุลอุนเซยยนินหรือที่มดลูกตัวเมียทั้งสองนั้นได้ถูกคุ้มครองรักษาไว้อ่าอารามแปลว่าอะไรมดลูกนะและมดลูกนี่จะอยู่กับเฉพาะสัตว์ที่เป็นตัวเมียเท่านั้นตัวผู้ไม่มีมดลูกอันนี้ลักษณะ ส, สัตว์สัตว์ที่ไม่ได้วางไข่อ่ะมันก็จะ เป็นคล้ายมนุษย์เรานี่แหละออกเป็นตัวมันจะมีวนลูกมีถุงน้ำคำัมมีเหมือนกันเลยเแต่ระบบก็ต่างกันไปเรื่องของการตั้งท้องนะแต่สัตว์เนี่ยอลัลลอให้พิเศษนะเวลามันคลอดออกมาเนี่ยสัตว์ที่จะอยู่รอดได้ ต, ต้องต้องยืนได้เลยมันเตะสองสามทีแนะป๊บเดียวเดี๋ยวยืนแล้วอพอไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่ยืนปั๊บมันจะตายเพราะว่ามันจะมีสัตว์ตัวอื่นมาจ้องเล่นงาน แต่เด็กมนุษย์เราเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยนุ่มนกว่าจะเดินได้นานแบบ่เบานะนั้นมนุษย์เนี่ยจึงเป็นสิ่งถูกสร้างที่อ่อนแอนะถ้าเทียบกับวัวกับควายเนี่ยควายเนี่ยวัวเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาแข็งแรงกว่าอีกพอเกิดปั๊บมันเดินเลยมันเดินแล้วกินนมแล้วโอลุงมนุษย์นี่ไม่ได้เลยบอบบางมากเอาเป็นปีจ่ะนะแต่น่ารักนะอะฉันมีลูกเล็กอยู่อยู่งนี้แหละอยู่ในอ้อมกอดเราเนี่ยนะ อ่าเลี้ยงมันโตเลยเนี่ยโคกยุ่มกันนะพอขอออกมาวิ่งแล้วโอ้ยยุ่งเลยผมว่าเนี่ยดีแล้วล่อให้อย่างงี้นะทำดีละอ่าหน บ, บีอูนีแปลว่าพวกเจ้าจงแจ้งให้ข้าทราบหน่อยแจ้งหาล่อรู้หน่อยสิว่าด้วยด้วยความรู้อันใดก็ได้มันมีความรู้อะไรมั่งที่มันเป็นที่พวกแกไปตั้งกฎเกณฑ์ไว้นั่นห้ามกินในนู่นห้ามกินเนี่ยมันมีกฎอะไรมันมีความรู้อะไรนะ อิงกุลตุ้มซอดีกินหากว่าเจ้าพูดจริงเนี่ยเพราะทั้งหมดมันคือเรื่องอุปโลกทั้นนั้นเลยนะอ่าเรารู้เราตอนนี้มันมีอยู่กี่คู่เนี่ยยังไม่ครบแปดนะยังไม่ครบแปดตัวเพื่อมีทั้งหมดสองคู่สี่ตัวอายาเนี่ยมีทั้งหมดสองคู่สี่ตัวแต่เราบอกมีแปดอ่ะแปดมาอยู่ไหนมาอยู่ในอายาที่ร้อยสี่สิบสี่อ่าเห็นไหมต้องอยู่ต้องอ่านคู่กันถ้าไม่งั้นขาดเลยต้องอ่านคู่กัน อ้าวอีกอีกสี่ตัวสองคู่อยู่ไหนว่ามีนันอิบลิสไนน์และอูดสองตัวว่ามีนันบักอรอิสไนแล้วก็วัวอีกสองตัวอ่าโจงก่าวเถิดมูฮัมหมัดเหมือนเดิมว่าตัวผู้ทั้งสองตัวหรือตัวนั้นหรือที่พระองค์ทรงห้ามเอาไว้หรือตัวเมียทั้งสองตัวที่อัลลอฮ์ห้ามไม่มีอ่า แล้วเราบอกต่อเหมือนเดิมอัมมาสตามาและไอ้เฮียอาราฆามุลอุนเซยหญหรือที่มดลูกของตัวเมียทั้งสองนั้นได้คุ้มครองรักษาไว้หรือว่าพวกเจ้าร่วมอยู่หมายถึงอะไรหมายถึงตอนที่มันปฏิสนธิกันเนี่ยเจ้าไปมีส่วนร่วมกับมันไหมไม่มีนะเวลาวัวมัน ขี่กันเนี่ยมนุษย์เราได้แค่ยืนมองนะไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรแล้วทำไมไปกฎกําหนดว่ามันได้ลูกปั๊บต้องไปกําหนดด้วยมันต้องอย่างนั้นอย่างงี้แกไม่มีส่วนร่วมอะไรเลยตอนที่มันมันประสมพันธุ์กันขอมาฟบนะพูดได้สัตวที่ใช้การผสมพันธุ์ผสมพันธุ์กันเนี่ยมนุษย์ก็ไม่ได้มีคนเลยแต่พอเวลาะสมพันธุ์มันได้ลูกปั๊บไปกาหนดเลยว่าอันนี้ห้ามลูกนี่นี่ห้ามนั่นห้ามนี่เออเราเป็นผู้ทรงกําหนดให้มันประสมพันธุ์กันแล้วมันก็ได้ลูกอ่าอนี้ตัวอย่างนะที่เออเราถาม อัมกุณตุ้มชูฮาดาพวกเจ้าเนี่ยไปอยู่ร่วมด้วยหรอตอนที่มันได้ลูกมาตอนที่มันอยู่ในมนลูกเนี่ยอ่าบอกต่อว่าไงต่ออิสวัซซ์คุมุลโลฮูบีฮาเดขณะที่อัลลอเนี่ยทรงรับสั่งแก่พวกเจ้าด้วยกับสิ่งนี้อัลลอสั่งอะไรให้บริโภคอ่าให้บริโภคให้กินนะแล้วก็แม้กระทั่งคำสั่งทำกุรบันเนี่ย ร า, ายงานล้อเอาล้อไม่ได้ต้องการเลือดต้องการเนื้อของมันแต่เอา ล, ล้อประสงค์เรื่องของความตักวายยำเกรงไม่ได้เป็นการพิธีล้างเลือดเซ่นไหว้พระเจ้าไม่มีของเรานี่ดูความยำเกรงและเลือดทั้งหมดเนื้อทั้งหมดไม่ถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกเลยไม่ถึงพระองค์สิ่งนี้ถึงพระองค์คือความยำเกรงความตักวาที่เราทําด้วยกับศรัทธาแล้วก็แจกจ่ายให้กับคนคนยากคนจนนะ เนื้อเลือดเลือดก็ตกสงเลือดก็ทิ้งไปเนื้อก็ไปแจกจ่ายกินกันทำซุปกันนะแต่อะไรถึงอัลลอต์ตว่าความยำเกรงที่เรามีถึงอัลลอ์อ่าต่อมาเอ่อฟาแันอัละมุมินมานิฟตารออัลลอฮิกะดิบาอัลลอฮ์บอกว่าจะมีใครเล่าที่จะอาทมยิ่งกว่าคนที่อุปโลกความเท็พให้แกอัลลอฮ์เออ จะมีใครที่ทำชั่วช้ามากไปกว่าคนที่ใส่ร้ายอัลลอฮ์เออกาวเท็ดก่ออัลลอ์ลิยูดิลันน่าสบีกอยรินและก็ทำให้มนุษย์เนี่ยหลงผิดโดยที่เขาก็ไม่รู้สายฮีก็คือต้องการพักพวกต้องการพักต้องการให้คนมาเป็นพวกตัวเองก็เลยอ้างอัลลอ์อ่านี้ก็เป็นที่มาของฮัดดิดอิฟนะฮัดีิดอิฟต้องการที่อยากจะได้คำสั่งแต่คนไม่ค่อยเชื่อ ก็เลยอ้างนาบีเลยว่าเป็นคำสั่งนาบีเพราะเปคำสั่งนาบีคนก็ทำสิแต่จริงมันปลอมขึ้นมาคิดอาจจะคิดดีก็ได้นะแต่ว่าจริงๆคิดดีมันต้องวิธีการต้องต้องดีด้วยนะการโกหกโดยการไปอ้างอัลลอฮ์อ้างรอซูนนี่ถือว่าเป็นบาปที่ใหญ่มากนะครับเอาต่อมาอินอัลลอฮ์ฮาเลฮัดินกอมัตโวลีมีแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงให้ทางนาแก่กลุ่มชนที่อาธรรมมาดูต่อนะ 145บห้นะครับคุณลอะจีดูฟีมาอูฮียาอิเลียมุฮาร์รัมา على ط ع ย م ายมีทาَมุอิลลาอียคต อิล a ์อาีย a คูนไม่ตันเอาดามัซฟูฮันเอาละมาคิซี فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْفِسْ ق َ أ, أ ِ ه ل َ ل ِ غ ي ر ا ل ل َ ه ب ِ ف إ ن ّ ه ر ج س أ و ف س ق ا أ ه ل ل غ ي ر اللَّهِ ب ِ ف م ا ن ِ ط ُ ر غ ي ر ب ا ع و َ ل ا ع َ د ف َ إ ن ر ب ك غ ف و ر ر ح ي م ามาดูความหมายนะกุนชงกล่าวเถิมุฮัมมัดว่าลาอัจ uh uh ิดูฟีมาอูฮีอีละอียาโมฮารมาชงกล่าวเถอมุฮัมมัดว่าฉันไม่พบในสิ่งที่ถูกให้เป็นอายะตัวนี้หมายถึงเป็นวูฮีนะแก่ฉันนั้นมีสิ่งต้องห้ามแก่ผู้บริโภคที่จะบริโภคมัน อ่าหมายถึงว่าเมื่อพิจารณาเล้วว่าที่ไปตั้งกฎเกณฑ์กันนะว่าสัตว์นั้นห้ามห้ามผู้หญิงห้ามดื่มนมมาที่ก่อนมาเนี้ยเมื่อไปดูจากวะฮีแล้วเนี่ยไม่มีเลยแปลว่าเป็นสิ่งที่ฮาลาลนอนุ ญ, ญาตให้ทานได้นะคือคือมันไม่เกี่ยวนะพี่น้องว่าสัตว์เนี่ยจะจะโตมาจากที่ไหนเลี้ยงมายังไงอ่าเราไปซื้อมา แล้วก็เอามาเชื่อดหรือคนเชื่อดเป็นมุสลิมก็ถือว่าใช้ได้และฮาลานนะเพราะว่าขั้นตอนของมันก็คือดูที่ตอนเชื่อดแต่คราวนี้เนี่ยมันก็มีบางมัสอลาลาเขาเรียกว่ามัสอาลาที่สัตว์ไปกินของคารอมเช่นบางวัวบางตัวที่มันไปกินเหล้าเลี้ยงด้วยกันเหล้าอ่าอันนี้เขามีมัสอาลาเหมือนกันว่าอย่าพึ่งเชื่อดเลยให้ขังไว้ก่อน อ่ผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะฮันดิมเป็นมนสาสลิสเซอ์มาอ่าหนึ่งอาทิตย์ไหมหรือสิบวันวันลองไวน์แลมนะขอมาฟด้วยแล้วก็พอขังเอาไวใ้ให้มันกินจนกระทั่งมันคลีนตัวเองอะถึงค่อยค่อยเอามาเชือดอ่าให้มันย่อยสลายไปก่อนเพราะบางมีนะบางคนใช้เนื้อจากจากการดื่มไวน์ดื่มสุราเออแต่พวกเราไม่ทำเราพวกเราให้กินกากสับปะรด <c oughs> ใครไมปมันกินแพงใช่ไหมเออเอา้าวคราวนี้ไม่พบนะว่ามีวันีอันใดที่มาห้ามอาลามาตอไอมินยะตอมหมูอิละไอยกูนะ่ะเว้นแต่สิ่งที่อัลลอ์ห้ามมีอะไรบ้างหนึ่งไมตาแปลว่าสัตว์ที่อัลลอฮ์ทำให้มันตายไม่ได้ผ่านไม่ใช่มนุษย์ทำให้ตายอาลัลลอฮ์ทำให้ตายแปลว่าอะไร แมวมันตายเองไงแต่ถ้ามนุษย์ทำไตายก็หมายถึงมนุษย์ทาเชื้อมันสัตว์ที่ตายเองไม่ตายอันนี้หลยอัลลอ์ห้ามเอาดามันมัสฟูฮันหรือเลือดที่มันไหลออกมาไหลออกจากการเชื่อเลือดที่ไหลจากการเชื้อพี่น้องด้วยความรักนะผมไปซื้อเนื้อที่ตลาดยังมีมุสลิมอีกหลายร้านที่เอาเลือดมาแถม เอาเลือดมาแถมฮะดีเหรออ๋อไม่รู้มันคือเครื่องในปะกินได้ปะฮะหร<า>ออันนี้ฉันไม่รู้นะถ้าเป็นเครื่องในเ่ถ้าเป็นเครื่องในไส้อะไรกินได้ถ้าทำซากินได้หมดเลยแต่ว่าที่ห้ามเลยคือเลือด อันนี้ที่เลือดนะไอ้ที่เหลือไม่มีเนะี่ยไม่ห้ามถ้าไม่มีข้อมาห้ามแสดงว่ากินได้แค่นั้นเองแต่อันนี้มันขมกินได้ไหมอันนี้ไม่รู้แต่ว่าไอสาวว่าเขาไปใส่ในน้ําจิ้มประเภทหนึง่งเตร่ไว้จิ้มกินเนื้อกับไอเนื้อสดอะ่ะผมก็ไม่รู้แต่ว่าทําเป็นเครื่องในกินได้นะไม่มีปัญหาอ่าแต่ว่าสําคัญก็คือว่าถ้าเป็นเลือดที่เชื้อเนี่ย อันนั้นนะ่ะเป็นอนยิสส่วนเลือดที่อยู่ในเนื้อไม่เป็นเข้าใจนะเลือดที่อยู่ในเนื้อไม่เป็นเวลาทำก๋วยเตี๋ยวและใส่เนื้อเข้าไปเนื้อมันก็จะมีเลือดไหลออกมาจากเนื้อมันนะอันนั้นแหละตัวอร่อยเลยนั่นแหละอร่อยนั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกว่ารสชาติของเนื้อนะส่วนเลือดที่ห้ามที่เราห้ามคือเลือดจากการเชือด ดังนั้นเมื่อเราห้ามเอามาทาอะไรไม่ได้เลยต้องทิ้งอย่างเดียวนะเป็นนายิสในตัวมันถ้าเรียนนายิสไอน์ในตัวมันเอามาแถมก็ไม่ได้เอามาให้ก็ไม่ได้เอาและมาคินซีดแล้วก็เนื้อสุกรอันนี้ทั้งตัวมันนะไม่ใช่จะพาะเนื้ออย่างเดียวทั้งหมดนะ่ะทั้งตัวมันเลยเป็นนายิสไฟน์นาหูริจซุนเอาฟิสคอนอัลลอฮฺบอกว่าแท้จริงมันคือสิ่งสกปรกแล้วก็คือการละเมิด ใครที่ไปกินเลือดไปกินสัตว์ที่ตายไปกินเนื้อหมูก็คือการละเมิดอหินละลกอยริลาฮิบี bi. และก็สัตว์ที่ถูกกล่าวนามอื่นนอกจาก Allah. อัลลอฮ์อ่าแปลว่ามีการกล่าวนามอื่นไปด้วยนอกจากอัลลอฮ์ต้องกล่าวพระนามของอัลลอฮ์เท่านั้นฟอรมานิตุรอไรบาจิวลาอาดินฟัยนารับบากาโกฟูรุระฮิมถ้าผู้ใดยอยู่ในภาวะขับขัน โดยไม่ได้เป็นผู้แสวงหางงงไหมคือตัวเองเนี่ยไม่ทําไม่ทําตัวเองให้ไปอยู่ในสภาพที่บังคับตัวเองให้กินผมยกตัวอย่างเนาะเรารู้อยู่แล้วเราจะเดินทางไปที่เนี่ยมันไม่มีอาหารฮา้านเนี่ยเราทำไงก็เตรียมไปดิเยอะแยะเตรียมไปไม่ใช่ว่ารู้อยู่แล้วว่าที่เนี่ยไม่ไ ม, ม, มีเราก็ดันบอกาะว่านี่ไงเดี๋ยวรอให้กินได้ไม่เป็นไรเราก็ไม่เตรียมอะไรไปเลยไปถึงปับ๊บลอยหิวปับ๊บ หมูย่างเลยไอ้อย่างงี้แสดงว่าพาตัวเองไปอยู่ในภาวะขับขันอันนี้ไม่ได้แต่สมมติเตรียมไปแล้วปรากฏเตรียมไปขโมยขโมยมาโคลโมยสะเบียงไปเลยถูกล้อมเอาไว้ไม่มีอาหารจะกินเลยออกไปหาก็ไม่ได้ไขรก็ไม่มีเหลือแต่เนื้อที่หารอมอาหารทะเลก็ไม่มีปลาก็ไม่มีเอออย่างงี้แหละทานได้เวะละอาอดิตแล้วก็ไม่ได้อยู่ในสภาพผู้ที่ละเมิด และเมื่อก็คือสภาพต้องการจะทำผิดก่อร้อแต่กินเพราะประทางชีวิตนะเนียดให้ดีเนียดเพราะประทางชีวิตไฟอินอรับเบากากรูรุระหีมพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษและผู้ทรงเมตตาอโลภัยให้เพราะการปล่อยให้ตัวเองตายหรือเป็นโรคถือว่าเป็นโทษที่รุนแรงมากกว่าลเลยข้ทีอ้นนอาอัยาหนึ่งอายาสี่สิบห وَمِنَ وم وم ا ل ْบَ قار ُ وال ََْก ن َ م ِ حر รมนَ ا عليهم ِ شُحُومَ ه ُมา ا إ มาَّ ا م ามะฮฺมาَ ت ْ ด ا و ู ا าเอาลพายาไม่เอาลพายาเ و าแม้แต่ละตัวเป็นอุ้ม ذلك จะไ zn ะฮ์ม uh ์บิบักรีฮ์ม์ و อินน ا ลَ صاد ิกุณนั่นคืออะไรเนี่ยอ๋อ มันก็มีสิ่งที่ฮาลานณนะปัจจุบันนี้แต่สมัยก่อนเนี่ยเป็นที่ฮารอมงงไหมแปลว่าโมก่อนเนี่ยอัลลอ์ห้ามแต่ณนะปัจจุบันนี้ทานได้แล้วคืออะไรและแก่บรรดาพวกที่เป็นยูอ่ายูฮาดูตรงนี้ก็คือยฮารอมนาอัลลอ์ได้ห้ามสัตว์ทุกชนิด กุลละดีซูฟุท uh ที่เท้าของมันไม่แยกจากกันงงไหมะอะไรเท้าไม่แยกจากกัน <Okay. S 1> พวกมันมีผังผืดอะเท้าที่มีผังผืดอะเป็ดนกกระจอกเทศฮานอันนี้เขาเขียนมันมีอูดด้วยแต่ฉันไม่รู้ว่าอูดมันเป็นเท้าเป็นพังผืดเหรอไม่เคยไปสังเกตใช่ไม้มฉันก็ไม่เคยเห็นเท้าอูด เาเป็นผังผืดใช่ไหมในหนังสือเขียนอูดด้วยสแสดงวัวกินได้เท้าที่มันมีผังผืดมันเนะอ่าอูดของเยฮูสสมัยก่อนอันนี้เฉพาะยิวสมัยนู้นนะเหตุที่อร์ล้อห้ามเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันดืออ้ออเล็กก็เลยห้ามกินกินหานกินเป็ดกินนกจ ก, กระจอกเทศแต่ที่พูดมาท่าวันนี้กินได้หมดแล้วนะเป็ดยังอร่อยเลยนะเป็ดเนี่ยยังชอบมีอะไรอีก มีห่านนกกระจอกเทศกินเลยตอนนี้ไม่ห้ามแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยพวกยูโฮดเอาละห้ามเอาไว้มีนั่บักมีนั่นบักอรีวะกอนแอมและก็ส่วนหนึ่งจากวัววัวนี่กินได้แต่ส่วนหนึ่งจากวัวกินไม่ได้ทั้งหมดกินไม่ทั้งตัวและก็แกะอัลลอฮ์ห้ามอะไรฮารอมนาอัยเลอฮิมชูฮูมะฮูมาอัลลอฮ์ห้ามอะไรวัวกระแกะเนี่ยกินเนื้อมันได้ แต่ห้ามไขมันของมันทั้งสองนอกจากไขมันที่หลังของมันทั้งสองอิลามะฮะบจูฮูรูฮมูมาอวิลฮัยาวาฮาวายาขอโทษ ด, ดีและลําไส้ได้หุ้มมันไว้หรือที่ไปปะปนอยู่ในกระดูกเอามัคตาลตอบีอัซมีอันนี้ต้องดูตับซีดเลยมันคืออะไรพออา่านเนี่ย เรายังไม่ไม่ทราบโดยตรงว่าอะไรไขมันยังไต้องอธิบายเจ๊ะไหมคือบางอันพออ่านปั๊บเข้าใจเลยบางอันก็ต้องไปดูว่าข้อที่บายว่าอะไรเหมือนเมื่อกี้ห้ามขี่หลังอห้ามบนหลังของมันห้ามขี่อยู่ในท้องห้ามนมอันนี้ห้ามอะไร The ligera z a i ม a humpi b u g สาเหตุที่อัลลอฮ์ห้ามเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ลงโทษไอ้พวกนี้เนื่องด้วยความอาธรรมของพวกเขาแต่แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ผู้พูดจริง ตอนนี้ตอนนู้นเนี่ยมียะฮูดอยู่ในมา ด, ดีนะพอล้อเล่าแบบเนี้ปับ๊บพวกยะฮูดก็บอกใช่เลยพวกเราถูกห้ามมาโพในคัมภีร์ของเราเนี่ยเขียนมา อ, อ, อัสซุดดี้หมายถึงอะไรรู้ไหมไอไขมันน่ยนะไขมันทั้งหมดทั้งสองหมายถึงไขมันในในลำไส้ไตพูดง่ายๆคือเครื่องในห้ามกิน ห้ามกินเครื่องในลำไส้ไอ่โดยปรากฏว่าชาวยิวพูดว่าเพราะว่าอิสตรออินก็คือนบียากรุปได้ห้ามเอาไว้ดังนั้นพวกเราจึงเป็นที่ต้องห้ามด้วยแสดงว่าเครื่องในอูดไอ้ขอโทษเลยไม่ใช่อูดเครื่องในวัวเครื่องในแกะแพะกินไม่ได้อาลีมโนอาบีตอนท้าบอกว่าอายานี้หมายถึงไขมันที่ติดอยู่หลังของมัน ไม่ได้บอกลําไส้หุ้มเอาไว้ อ, อฮาวียอหมายถึงไขมันที่ไปสะสมม้วนอยู่นจับได้อยู่ในก้อนในท้องเป็นส่วนที่เหลือจากน้ํานมเป็นส่วนที่เหลือจากนมไม่ใช่น้ํานมนะและกลายเป็นมูลของมันซึ่งมีไขมันรวมอยู่มากสรุปก็คืออะไรลําไส้เละอืยพวกเครื่องใน ไขมันที่ลําไส้ได้อุ้มเอาไว้คือบางส่วนที่ติดอยู่ในผนังลําไส้เห็นไหมติดอยู่ในผนังลําไส้ก็หมายถึงตัวลําไส้อ่าและกรมูลของมันห้ามและก็ไขมันที่ติดอยู่ในกระดูกด้วยห้ามไขมันที่ติดอยู่ในกระดูกด้วยอดเลยเสือร้องไห้อ่ากินได้แต่เนื้อพวกกระดูกเอามาต้มไม่ได้ต้อง นี่ยาูเนี่ยมันมันห้ามกินใช่ไหมมนทำยังไงรู้ไหมมันก็ขายสิมันเล่กเอาล่ะในเมื่อมันไม่กินก็จริงแต่มันเอาพวกเนี้ยไปขายเลยซึ่งก็ไม่ได้อยู่ดีอินทร์จุไรต์บอกว่าไขมันที่ติดอยู่ที่บั้นท้ายมันหางเออด้านหัวอะไรก็ไม่รู้ตาส่วนต่างๆที่มีไขมัน เหล่านี้เป็นที่อนุมัติฮาลนอ๋อหมายถึงว่าส่วนอื่นที่เป็นไขมันอยู่ตรงอื่นไม่ไม่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นไขมันที่อยู่ติดกระดูกกับไขมันที่ลำไส้ก็คือเครื่องในห้ามเป็นบทบัญญัติสมัยก่อนเนาะซาลิกายาไซนาฮุมบิบากีหิมที่อัลลอฮ์ห้ามเพราะว่าพวกนี้มันดื้อกับอัลลอฮ์รวมถึงน้ามันด้วยมั้น้ามัน ไ, ไมนมนขมันที่ได้จาก จากสัตว์ไขมันจากสัตว์เอามาจุดตะเกียงสมัยก่อนก็มาใส่ตะเกียงเนาะอ่ะประมาณนี้ลกันนะ Subhana a l ม a h u m m a bihamdika s h a d o a l l a n d u r